ตายในชาติปางก่อนมันสั่งสมประ ส, สบการณ์นั้นไวก็ได้คิดตรงนี้ก็ดีครับแต่ผมจะไม่เล่นเลยไปสู่ประเด็นนี้นะครับความกลตายนั้นที่จริงเราไม่ได้กลัวครับแต่เรากลัวจะพัดพรากจากชีวิตซึ่งเราชิมแล้วคือชีวิตที่เราำรงอยู่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิน้นมีกายมีใจสำหรับรับรู้อารมณ์นะครับดังนั้นเราลิ้มางแล้วับ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 นั้นควรจะละแต่ฉันจะละต่อเมื่อฉันพอใจแล้วเท่านั้นดูเหมืสิ่งนี้จะเป็นความที่ร้ันที่สุดในตัวมนุษย์เราเฉันจะเลิกฉันยินดีจะเลิกแต่ว่าต้องสะใจก่อนต้องไปถึงที่สุดก่อนจึงจะเลิกอยู่ดีจะมาเลิกดูจะไม่อยู่ในสมดุลของคนทั่วไปเลยนะครับที่คุณบอกว่า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 ฝักใฝ่ในเรื่องของหมกนุ่นในเรื่องของกรรมคุณคําว่ากรรมคุณนั้นต้องอธิบายขยายความนะครับไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวรเรื่องการเสพรถทางวัตถุคนหมกนุ่นฝักใฝ่ในเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่กลัวตายมากๆเพราะโดยการคิดอนุมานว่าเมื่อความตายมาถึงอวัยวะที่รับรู้รสชาติของโลกต่างๆจะแหลกคนลงดังนั้นจึงกลัว เรจะสูญเสียพลังในการย่อยในการแยกแยะในการสัมผัสในการดมในการลิ้นและในการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของลงกล้าที่คิดว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องเรื่องบะปากประตูใหญ่เลยครับแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยสติปัญญานะครับทั้งใช้ความคิดและทั้งระดมความรู้สึกสัมผัส นักแสดงผมงมทได้ไปเสดการใช้ความคิดเลยนะครับความคิดอาจจะนำทางลงมาท่อนหนึ่งแต่ตัวความคิดมันมีปัญหาในตัวมันเองยุทธศาสตร์การภาวนานั้นเป็นยุทธศาสตร์ของการปรับแปลรับปรับรุงอยู่ตลอดเวลาครับสมมติไม่กินบ่อยนะครับที่คนพูดว่าคำสอนสำนักนั้นดีมากคือระบบภาวนาบาล่นเ สำนักนี้สอนดีมากใช้วิธียกมืออย่างของหลวงปเทียนหรือของเสือนโมกหรือพุโทโธหรือสมาอะรห่างตามความเข้าใจของผมนั้นวุทธศาสตร์เหล่า น, นี้เป็นเพียงเทคนิคเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเราสามารถนํามาใช้ประสมสารกันได้นะครับแต่ในที่สุดแล้วเทคนิคนี้ไม่สามารถนําเราไปสู่ทางเฉพาะตัวของเราได้ท้ายที่สุดผมคิดว่าไม่มีวิธีไหนเลย นอกจากตัวมันเองดัะนั้นจิตสานึกที่มาถึงวันหนึ่งคือหนึ่งหรือช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งอัจเรินการอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าพอกันดีสำหรับการสัตย์สายไปลอกแบบผู้อื่นนั่นไม่ใช่สิ่งที่ยะโสโอหังนะครับแต่ผมรู้สึกเป็นความจริงแค่เดียวว่าการณีพระเจ้าถ้าว่าเจ้าชายสิทธิ์าหรือเป็นนักบวช สกรมุนีแล้วนะครับก่อนหน้าท่านมานั่งใต้ต้นไมศสีหาโพนี่ครับถ้าท่านยังรอกแบบคนอื่นนั้นจำความรู้เป็นอ่างไท่านจะไม่ได้เป็นพระเจ้าครับบดูเหตุนั้นท่าบอกท่านรู้เองจริงๆไม่ได้รู้เนิ่งๆมา ก, ก่อนถ้าสมมุติเจ้าชายยังจําทฤษฎีเก่าๆที่ครูสอนไว้แล้วนํามาขบนื่องคิดนื่ตีความอยู่นั่งแยกแย่าอยู่ผมเชื่อท่านจะไม่เข้าถึงความเป็นพุทธครับ ตอนนี้ความพุท ธ, ธรออยู่ก็ตามเพราะความคิดมังหมดบงมังหมดอุปมาที่ผมชอบมากๆนันหนึ่งก็คือตอนที่ท่านเข้าแม่น้ำเนรัญชดาก่อนที่เข้าไปสู่ใต้ร่วมพระศรีมหาโพนะครับหลังจากชันเข้ามาัทุปายาตของนางสุชาดาแล้วเนื่องจากฐานะงท่านเป็นนักบวชไม่สมควรที่เก็บภาชนะทองไว้ท่านก็ลอยผ่าน ตอนนี้เรียกว่า้อยถาดเสียมบารมีพระคำพีซึ่งบันทึกเป็นเชิงวรรณกรรมบันทึกไว้เช่นนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าถาดลอยทวนกระแสน้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและจมดิ่งสู่น า, ะะ น, านาคพิภพพรายานาคราชสะดุ้งตื่นแล้วลํำพึงว่าพระพุทธเจา้าพระองค์ใหม่สร้างสร้างมาตรสูเร็วหลือเกิน สิ่งนี้เป็นปริศนาธรรมที่ล้ำลึกครับบาดาลคืออะไรโลกใต้พิภพที่อยู่ของนาคราชปญา น, นาคราชนั้นตามผมกระจายนะครับพระมิจจาของตีความเป็นน า, านคกับปรชญาคือเป็นปริชาญาที่ล้ำลึกลึกซึ้งถึงบาดาลเลยครับแล้วันที่พระเจ้าเห็นนิมิตอันนี้โดยความจริงนั้นไม่มีใครรู้เลยอาจเป็นน้ำวนก็ได้หรืออะไรก็ได้มันทําให้เกิดปรากฏการณ์แปลก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 ท่านแสวงขาธรรมะนีท่านเข้าไปในกระแสทานของอารมณ์ตลอดเวลา6ปีของความปิดพลาดก็คือท่านเข้าไปนอารมไม่รู้อารมณ์หมายในความคิดนะครับแล้วพอเห็นนมิตรอันนี้ครับท่านนึกออกว่า6ปีท่านเสียเวลานี่ก็ะอะไรดังนั้นมติใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในนั้นนะครับต่ออินทรีทางว่าต้องทวนกระแสเปี่ยสมเหตุ ท, ทวนต้นไปสิ่งต้นฐาน ก็จะจมลงสู่บาดาลทีภูมปัญญาคือปัญญาก่อนหน้าที่ความคิดจะเกิดนี่คือความลี้ลับในตัวมนุษย์ครับเราไม่เคยรู้ฐานะก่อนหน้าความคิดจะเกิดเราไม่เคยรู้จักภาวะก่อนเกิดเพราะาก่อนเกิดคือะไรเราเรานิ่งสนิทเลยครับเราไม่ได้ออกเลยเหมือนกับเรานั่งนึกย้อนอดีตไปว่าเราอายุหกขวบเราคิดอะไรเนาะเราเริ่มรางเลยแล้วนะ หขวบที่มีเนานะสองขวบมืดมืดแทิศเลยครับพูดถึงภาวะก่อนเกิดก่อนเกิดเรื่องนะครับคืออะไรสมมติว่าเราใช้ภาวะก่อนเกิดเรื่องในความหมายธรรมดาก่อนถูกลบชนก็คือภาวะที่ยังไม่ถูกลบชนครับคือภาวะที่ปกติดีอยู่พอหลังถูกลบชนแล้วมันมันเป็นภาวะใหม่เรามีความจาใหม่แล้วเราก็ดิ้นรนที่พ้นกภาวะใหม่ด้วย เพราในไหวพิปฏิภาณนี้เกิดขึ้นกับนักบวชที่ชื่อโคตมะพุทธะที่ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราครับท่านเอกใจที่มาว่าหปีที่แล้วมาเนี่ยท่านตามกระแสะอารมณ์ตลอดไปเข้าฌานไปทํำทรมานจนก็ตามความคิดตลอดความคิดบอกให้ทําอะไรก็ทําตามมันตลอดแต่พาคราวนั้นเองครับท่านเฉลีวยวใจดังนั้นเองนะครับเมื่อข้ามลำทานนี้แล้วเมื่อมันนั่งบนฟอนหญ้าคา ที่จริงไม่ใช่ยาคาครับยาคามันคันเป็นคลืนกบน้ำชนิดหนึ่งซะมากกว่าเนี่ยเพราะมัน น, น, น, นุ่นนวลพอท่านฟันยาแล้ววัฒธรรมแห่งสตรีปรฐานก็เริ่มขึ้ น, ก, นก่อนหน้านั้นท่านปฏิบัติติดถูกๆเรื่อยแล้วมาถึงวาระนั้นเองที่ว่าท่านเริ่มระดมความรู้สึกตัวที่จะทวนกระแสวัฒธรรมชาพุทนั้นควรจะกําหนดจดจำคือวัฒธรรมทวนกระแส ทวนกระแสอารมค์คทวนกระแสไม่ใช่ต้านกระแสเนี่ยเหมือนกระแสน้ําไหลมาเนี่ยคาทวนกระแสแล้วขึ้นเหนือกระแสแล้วก็ว่ายเข้าฝั่งหรือเช่นเรือกระเรือที่จมน้ําเราก็อาศัยน้ำนั่นเองก็กู้เรือแล้วก็แล่นไปบนสิงเรือไม่ใช่ไปไปต้านน้าเข้าไม่อเอาเรือไปขวางน้ำเข้าว่าทำทวนกระแสก็เกิดขึ้นครับนี่ต้องถามเกิดขึ้นว่า ควนความคิดทําอย่างไรวันนี้ตัวของเราทั้งหมดภูมิหลังทั้งหมดอนาคตทั้งหมดปัจจุ บ, บันทั้งหมดของเราขึ้นกับความคิดหมดแล้วตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อตื่นนอนเราลืมตาตื่นขึ้นมาพราะฉะนเราจะคิดจะก่อนหน้าเราจะลืมตาตื่นสิตื่นขึ้นมานี่เราเรียบร้อยแล้วครับถูกความคิดครอบนาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทํางานไปทําลากับหัวหน้า ไปทำโนวนมำนีกลับมาเย็นก็นเหนื่อยเมื่อยล้ามาทะเลาะกับลูกตลอดเวลาเราอยู่ในความคิดทุกคนที่เดินอยู่ที่รินถนนนะครับผู้ที่นั่งที่ป้ายรถเมลเ์หรือในเครื่องบินหรือในเรือเดินทางไปต่างประเทศหรือลงในอุโมงลึกๆเขาไม่ ไ, ไปเฉพาะเรื่องกับร่างกายโลกทั้งหมดไปกับเขาผ่านทางความคิดความทรงจำคนที่นั่งในริมถนนที่ป้ายรถเหลนเ์นั้นเขาไม่ได้นั่งเปล่า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 มือตัวที่เป็นแหล่งสัมผัสบริสุทธเราทิ้งคนข้าว อ, อันนี้หมดเลยครับเราไปโฟพันอยู่กับชักจะท่ายอะไรบ้างฉันควรจะมีอะไรเราไปโฟพันกับกระแสความคิดดังนั้นเองกลงล้อความคิดคือกลงล้อแห่งกาลเวลาก็หมุนไปดึงแข่งดึงขาบทขี้เหล่าเรากลางผมฝุ่นในกลงล้อนี้แต่ทั้งนี้นเราจะลุกเช่นนี้แล้วแต่ตามครับ เราก็ไม่รู้จะทําอย่างไงยังไงดุจจกรล้อนี้ได้ข้อนี้เองครับโดยปราดจากคําแนะนําของพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์โลกต้องยากที่เอาตัวรอดนี่เป็นข้อความในวิจารวิจิตรผมไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้ยนะยากที่ยอาตัวรอดเพราะใ้วันแล้วจะตกเป็นเหยื่อของความคิดพความคิดในเรื่องมันสร้างสารรค์มันเองนะครับสังเกตดูครูที่ไม่เคยตีนักเรียนหรือพ่อแม่ที่ไม่เคยเชียรลูกเลย ได้เคลื่อนสติเองนะไม่หยุดเลยครับเพราะความคิดใหม่กิดพึ้นมันปรงแต่งมันจะย้ำอยู่ย้ำอยู่อยนั้นพอได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ผลเป็นสุดก็ตามทุกข์กตามมันก็จะซ้ํำซากซ้ําซากอย่างนั้นน่นเราจะรู้ชะนีแล้วนะครับเราจะทําไงดีเสียงปวดควรัวอันนี้ครับเสียงร้องร้องอันนี้ดังระงมชมพูทวีตในสมัยพุตธกาล ผู้คนเราวิ่งวนสารวนหาพุ่มไม้ป่าเขาลุกกระเทวดาเป็นที่พึ่งคาดหวังว่าทุกทรมานตนแล้วเทวดาจะช่วยพระเจ้าจะเอื้องหนุยสุขให้อ่อนวอนสะระณะเ่านั้นมือนแล้วแต่ไม่กระเสริฐเป็นที่พึ่งช่วยครูช่วยยามแม้แต่การข้างชานสมาบัติแนวมึนดึงดั่งด้วยความสุขพิเศษสร้างขึ้นที่ รูปแต่งขึ้นที่กำกับควบคุมกดทับไว้ก็ไม่ใช่ที่ผู้อุทธรณ์พอไม่ได้ทำมันนั้นพอรื้อถอนการกทำมันนั้นปรากฏว่าความทุกข์ลำบากความขัดแย้งความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เกิดขึ้นในบรรดาธรรสวดมนต์และที่พระเจ้าสอนนะครับนี่ประโยคหนึ่งที่สําหรับความรู้สึกส่วนตังของ รู้ซาบซึ้งจึงใจมันมากครับทีจริงคาําสอนพระเจ้าทุกบททุกบาททุกประโยชน์แล้วแต่ชวนซาบซึ้งจึงใจเพราะเป็นคำที่พูดจากหัวใจของท่านผู้รู้ต่มีบางประโยคน์สำหรับบางจดิตที่จะรู้สึกได้มากนะครับเช่น mm. คําพูดที่ว่าประสบสิ่งไม่รักเป็นทุกข์พระทระ้อจะจึงทิลักษณ์เป็นทุกข์ ราตนาสิ่งหนงึ่งที่ได้ไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์เป็นคําพูดด่าด่าสามัญ น, นะแต่ว่าเป็นคําพูดที่ท่านพูดกับทุกชีวิตเลยครับและทุกยุคทุกสมัยเลยครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยผู้ภาษาไทยหรือฝรั่งผู้ภาษาอังกฤษผู้ภาษากรีกเป็นเพศหญิงเพศชายแม้แต่เด็กเล็กๆถ้าเขาฟังออกเขาจะรู้ทันทีคําพูดจริงและพูดเจบจนถึงตัวเขาด้วยสภาวะในตัวเขาด้วย พ่อท้อจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เด็กๆถูกแย่งตุ๊กตาร้องไห้เนะับจะปวด ถ, ถูกทำลายของรักประสบสิ่งไม่รักเจอกระสิ่งที่ไม่ง่าปรารถนาก็อึดอัดขัดเคืนทั้งสิ่งนี้เล่นกับเราตลอดในที่ทำงานที่บ้านแม้ในวัดในโบสถ์ในหมู่พระสงฆ์นั้นคำพูดนี้เป็นคำพูดสากรำมลชีวิตครับ ไม่ว่าชีวิตในดาวดวงอื่นในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตคำพูดนี้จริงตลอดเว ล, ลาท่นน่า จ, จระจักย์จริงนะครับคำพูดง่ายๆพื้นๆแต่ได้สะท้อนความจริงของชีวิตอาาอกม า, าแล้วท่านก็พูดต่อว่าโดยย่อแล้วที่ทุกเพราะขันห้าถูกยึดถือถูกครอบครองเป็นเจ้าของเพราะนั้นการภาวนานในแง่หนึ่งคือความฆราหานี่เสียสละ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 แต่การเสีสละที่แท้จริงนี่ก็อยู่ยงนั้นนะครับท่านเสียสละความจเจริญเงินก็คือเป็นเรื่องหนึ่งข้างในที่แคบมี็เรื่องเล่าที่น่าสนุกดีเรื่องหนึ่งในสมัยมหาวันชีวกำลังเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกอินเดียออกจากอังกฤษท่ำต้องการรวบรวมทุนกองทุนเพื่อมาใช้ในการเคลื่อนไหวแล้วท่านขอร้องให้ทุกคนเสียสะละมวนคนเล็กคนน้อยตามตามศรัทธา หรือทรัพย์สมบัติเก้าแหวนตุ้มหูสร้อยคอในเรื่องเลว่ามีสตรีสองนางมหาท่านเพื่อจะสละบริจาคเงินสมทบทอนที่ก็พูดถึงตรงการการตรวจแอกประเทศชาติให้ฟังสตรีนางแรกก็ร้องไห้ด้วยความรักชาติถอดสร้อยถอดแหวนถอดตุ้มหูสร้อยที่ที่จมูกที่หูเอาออกหมดเพื่อบริจาคสมทบเพื่อช่วยต่อสู้ สตรีคนที่สองนั้นก็ถอดหมดเหมือนกันแต่เหลือล็อกเก็บไว้อันหนึ่งครับอามือกำรรแน่นว่ากันว่าทันทีท่า น, นเอกใจว่าเขาน่าจะถอดด้วยแต่สตรีนานที่สองนั้นไม่ยอมถอดแต่ถามแล้วก็รู้ว่าแฟนไหครับผู้รักบอกว่าตะวันไหนไม่อยู่บนคอเมไหรก็เลิกกันทันทีเขาลังเลระหว่างผู้รักกับประเทศชาติเมื่อมาตะวันทันทีรู้ชนนี้แล้วก็พูดหนักเลยครับพูดได้สละหนักเลย จะนางร้องไห้โฮมาแล้วก็ถอดยื่นให้หมดเลิกก็เลิกกั น, เ, กกนเพื่อประเทศชาติมทาทั้งนันทีล็อกล็อกแจ็คหนึ่งไว้แล้วก็คืนให้ครับหสิ่งที่เธอสละนั้นได้สละแล้วสิงนี้ไม่เล็กน้นอยกว่าคืนไปเลยน่เป็นตัวอย่างที่สําคัญนะครับในการเสียสละโดยเฉพาะคนที่มีไหวพริบปฏิภาณแล้วก็มีความมีสตัวได้ต่อเนื่องนนแน่นนีแล้ว การสละอารมณ์ร้ายกลเป็นสิ่งที่เป็นความสุขเช่นความริษยาเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยคง ม, มีใครกล้าพูดว่าริษยา t h i เป็นสุขได้เช้าตัวเองแล้วมันม ค, คงไ ม, มีใครคิดไม่แหงมเชื่อว่าความริษยรเนี่นเจ็บปวดเหมือนลูกศรเหมือนยาพิษทีเดียครับมันปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วมันกัดกร่อนเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยว่าสมิง เ, ก, นในในเ ก, กิดเป็นเนื้อในเหล็กกัดเหล็กให้ปุกร่อนเอง สำหรับสติปัญญาเนีครับที่ฝึกปรือดีแล้วเหมือนที่ผมเอ่ยแกต้นมือว่าเมื่อคุ้เคยกับสภาพไร้ายโทสะไร้ายโมหะไร้ยราคะดีแล้วพอสิ่งที่แปลกปลอามทาั้งมันจะไม่เอาเองครับมันเี็การเสียสละแบบที่ต้องกล้าหานทำจริยธรรมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่อย่างนั้นครับเหมือนเอมือด้านนี้ไปจับแก่แตอนมีความอยากจับมันก็จับไม่ติดครับแต่ถ้าได้านนู้ติดครับเพราะเราชอบ แล้วเราก็สนิทสนมอาจารย์นิวลานก็เปรียบว่าระหว่างมนุษย์จิตใจของมนุษย์กับกิเลสนั้นเหมือนเด็กน้อยกับมาดาคือหิวน้ำนมนั้นต้องดื่มน้ำนมของกิเลสตลอดเวลาจึงจะสุขสำราญผลาตภัณฑสุขที่เกิดจากเสียสละบู้รู้จะเป็นมิจีของอริยะเป็นมิจฉีที่คนทั่วไปอาตจะไม่นข้าใและที่จะเป็นเรื่องที่ชวนสงสยัย ว่าเราจะถูกหลอกรูงหรอเปล่าแทจริงนั้นการเสียสละ น, นี้นั้นเป็นกําลังเพิ่มบุญพลานามัยให้จิตใจนะครับเมื่อได้เสียสละวันหนึ่งมันจะเกิดพลังใจอย่างอย่างมากมายทีเดียรครับอย่างมหาสมุทรกัทีที่เล่าแล้วไม่ใช่วท่านเกิดมาเป็นนัก บ, บุญแต่กําเนิดที่จริงท่านจะเห็นตัวของมันเองครับตอนไปเรียนอังกฤษท่านเล่า ว, ว่าทําตัวผู้ดีด้วยซ้ําไบผู้ดีด้วยซ้าไบไ ป, ไป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 จึงตลาดสังเกตดีๆจะพบว่าความสุขเช่นั้นจืดด้วยความเร่าร้อนด้วยความแหนหัวด้วยความดิศหยาดด้วยความครอบครองเป็นความสุขเนื่องจากการได้แผ่อํานาจของตัวเองลงไปในทรัพย์สินสิ่งของสตรีบุรุษข้าวของลูกเมียคือเป็นการแผ่ขยายของอัตตาดังนั้นดังนั้นเองการปฏิบัติที่ใช้ความคิด สำหรับละกิเลสตัณหานั้นร้อยเปร์เซ็นต์ผลมันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเมื่อเรานึกถึงอนิจจังทุกขงกังอนัตตาแต่มันเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาของเราเรานั่นแหละกําลังเรียนรู้อนิจจังทุกขงกังอนัตตาดูเหตนั้นความุ่งที่เติบโตจากการใช้ความคิดนั้นเป็นอย่างหนึ่งเสมมอนกัว่าน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งที่ใดก็มีพึ้งและมีเหล็กในของพึ้งที่นั้น ส่นคนรู้ที่เกิดจากสัมผัสบริสุทธิ์นะครับเป็นควาูที่ไม่อยู่ในหน่วยขอความทรงจําไม่ใช่สิ่งที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะสมให้เป็นคลังองความทรงจำแนนคนที่สร้างตัวสร้างฐานะมีความรู้มากจิตสมนึก็เข้าครอบครองความรู้นั้นครอบครองข้อรู้นั้นพอเขารู้สึกจะชั้นเปนคน ม, มีความรู้ว่ากชั้นมีสูงสักตกว่าคุณซึ่งมีความรู้น้อยกว่าชัน ทั้ความรู้นั้นถูกอํานาจของความรู้สึกตัวที่ผิดๆครอบงำส่วนประสบการณ์ที่ไม่มีการสั่งสมจะมีการมือสัมผัสพื้นเย็นๆหรือผมจะยกตัวอย่างนะครับขออภัยด้วยกิริยานี่มาแยกทำใหเรียบร้อยด้วยนะครับผมจะทำเสิยงอย่างนี้ครับเสียงเสียงมือที่ตกนี่มันจบทันทีเมื่อเมื่อสัมผัสจบแต่มันยังตั้งอยู่ในความจำของเรา ร้องจริงยังเสียงชัดมีขนาดเสียงธรรมดานะถ้าเป็นเสียงอ่อนหวานของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ออดอ้อนอยู่นานมากครับแต่โดย <c oughs> โทครับโดยตัวความจริงในตัวมันโดยตัวสภาวะของการกระทบสัมผัสนั้นพอ <c oughs> เกิดนี่ก็ดับเลย <c oughs> แต่ที่มันอยู่ในเพราะมีมีความจํารองรับอยู่มีขนาดเสียงนะครับมีเสียงจะเรียกเอ็โคก็ได้นะครับยังเหมือนกะับดังกล้องในเราว่า คบแบแคบแเหมือนเราทวนอยู่นั้นเลยนะเราทวนอยู่แต่ถ้าเป็นคนข้าสมมุติเช่นคําดาของศสรูดูไม่ต้องถึงกระดาษเพียงในสจูผู้เวยศบตาเท่านั้นครับมันตามมาถึงบ้านเลยครับมันทบทวนแล้วทบทวนอีกบทขยี้ตัวเองอยู่ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ผมบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์ของตากะคือคิดแยกแย่ทรงจำอะไรนึง ย้ายมาอยู่กับตะ ก, กะมาอยู่กับสัมผัสบริสุทธิ์ดันั้นเน้นหาสื่สารสิ่บอกว่าเธอนั้นเมื่อเหยียดแขนออกเธอรู้ชัดกูเข้าก็รู้เธอนั้นไม่ยินดีในโลกทั้งสองนะดัง น, นั้นความความรู้สึกสัมผัสได้สถาบนาความรู้ชนิดหนึ่งเป็นความรู้ชนิดที่ไม่มีการสั่งสมประสบการณ์ความจําไม่ต้องจําไว้ครับเช่นเดียวกับ ประสการณในตัวของมันเองทุกๆคนหัวกะโหลกคนละหัวนะฮะแต่เราไม่มีความจําเป็นที่ต้องมานั่งเล็บว่าเอ๊มันอยู่หรือมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในความจําของเราเลยแต่มันอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งที่ผมชอบที่ยกตัวอย่างเรื่องเวลาหลับลึกเวลาหลับลึกนั้นคือช่วงขณะที่ประหลาดน้ำหัตถ์จันที่สุดในชีวิตธรรมดาของเราเรา เ, ราเราท่านๆนะครับ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 คที่ชอบคิดเรื่องามตายหรือความแก่ชลาก็มักจะมีความถดถอยแทนที่จะชุ่มชื่นขึ้นเมื่อเทวเองแก่เท่ากลับทอแท้และความหวัดกลัวชิ้นนี้ยิ่งปรากฏดขึ้นเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บเรารุนขึ้นรูกร้านไม่เยอะแล้วพลังกำลังที่เคยมีก็ถดถอยรูปโฉมหนมพันที่เคยยิ้มดูด่วนใจเพศตรงข้ามเรื่องเสื่อมทรามเหมือนความคิด ในทางศาสนาในทางปรองท่านที่ช่วยชุ่มชื่นกลับซ้ําเติมด้วยซ้ำไปคราวนี้ผมไม่ได้บอกว่ามร์นาสตินั้นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมกำลังชี้แจงว่าเราไมา่ควรจะเลยมอร์นรสติผิดๆซึ่งทําให้เกิดความหวาดกลัวและตดถอยหน่ะแต่ที่จริงนั้นเมื่อเราคิดถึงความตายนั้นเราควรคิดว่าไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไม่ใช่เฉพาะตัวเราครับต่อเป็นเทวดาเป็น าพาวิญาณหมากศาศาริย์แม้แต่ผู้เจ้ากระตายครับความคิดอย่างนี้มันมันจะไม่กลัวมันจะนับรู้ยสิ่งเป็นสาธารณะต่อทุกชีวิตขึ้นมาชีวิตมันแผ่ขยายกว้างแต่ที่แต่ที่จะคิดว่าเอ๊ฉันจะตายเมื่อไหร่โลกกาลังเล่น ง, งานฉําหนักขึ้นทุกทีนะความคิดแบบนี้มันไปรวบยอดอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวครับปัญหาที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุเราคือเรามากักจะกลัวพันกับความคิดเรื่องตัวเรามากเกินไปเป็นห่วงตัวงมากเกินไป แต่ผมคิดกินได้ว่าสิ่งนี้เป็นสาธารณะกับคนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีใครเลยที่ไม่ตายจิตจะเราจะโล่งขึ้นอีกประการหนึ่งนั น, นะครับเราพี่นาความตายนั้นเราเราควรจะใช้ความตายให้เป็นประโยชน์แทนที่จะมันเป็นโทษหรือโดยเฉพาะความแก่ฉลาครับคนที่อายุมากๆ ก, ก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตรงที่ว่า แทนที่เห็นความแก่ชราเป็นความเหนื่อยล้าปวดถอยถ้าเราคิดอย่างนี้จะเป็นไรไปหรือปล่าครับคิดว่าเราควรจะเริ่มชีวิตใหม่สักทีแทนที่เราจะเริ่มมีชีวิตอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ตกกะก็ ค, คิดนึกคิดนึกมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยแล้วนี่ใช้ชีวิตแบบสัมผัส บ, บริสุทธิ์สตีนีมั้ยผมคิดได้ทันี้่าจตใจมันเป็นเด็กขึ้นมาครับเราต้องเรื่มเรีนรู้อะไรใหม่เช่นยกมือ กระพตาหายใจเข้าจะออกเป็นบทเรียนแด้เริ่มทั้งครั้งหนึ่งเราเคยเรียนตอนอเด็กแม่ให้เราเดินเรื่องเดินต่อแต่ต่อแต่เดี๋ยวนี้เราแก่แล้วครับคิดว่าพอดีสําหรับเรื่องโลกดังนั้นเราเริ่มชีวิตจริงๆสักทีจิตใจมันจะกระชุมกระชวยขึ้นมันดีครับแทนที่จะท้อแท้และถดถอยสว่าผมพูดใช่วงต้นเท่านี้ก่อนครับ ที่สิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้นะคะรู้สึกเป็นจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เพิ่งเคยได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะขออาจารย์ให้รายละเอียดตัวอย่างอะไรให้มากกว่านี้สักหน่อยเพื่อจะได้เป็นแนวทางว่าเราจะเอาไปปฏิบัติจริงๆได้ตัวอย่างตัวอย่างมากๆเลยนะคะจริงปัญหาระหว่างชาวพุทธนมว่าเป็นมหายาหรือสิยานนะครับไม่ใช่แค่ปัญหาด้านทฤษฎีด้านทฤษฎีมีการศึกษากอย่างกว้างขวาง ต่ออนิจจังทุกครั้งอนัตตาต่อเรื่องสุญญตาต่อเรื่องอิทธิปฏิฆันมันนี้ตั้งหาไหลตาบรรโรปะศึกษาอย่างซึ่งระหว่างพุทธศาสนาและวิชาฟิสิกสมัยใหม่ด้วยนะครับดูเมนมันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของชาวพุทธต่อทฤษฎีบทหรือที่เรียกกันว่าปริยัติธรรมแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าทำไงจึงจะเข้าถึงมันจริงๆนะนั่นมันไม่ใช่ว่าทํำไงจึงจะรู้อะไรกว้างๆมากๆโดยไม่ต้องเข้าถึง ของชาพุทธจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าเราดูในเรื่องราวธรรมบทหรือตัวอย่างครั้งอดีตสมัยพุทธกาลนะครับคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือครับบางคนแก่เท่าได้ยินพระวจนะพทธเจ้าประโยชน์เดียวก็เข้าถึง เ, เมื่อถูกเล่าสืบทอดกันมาจดจาร์มาเป็นหนังสือตลอดตำลลาแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับเด็กเล็กๆกยังสึกสองขวบเข้าถึงได้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 เราบางทีปัญหาของเราอยู่ตรงเราอยากเป็นอราหาันด้วยและอยากมีกิเลสพร้อมๆกันด้วยครับคือเรามีเงินมากๆด้วยมันมันเลยตอแยเหมือนเหมือนอะไรบางสิ่งซึ่งเป็นฝักฝายอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเหล่านี้มีมากเลยครับต้องเป็นฝ่ายที่ศึกษามันมีเรื่องในแผนดินจีนนะครับน่าสนุกไม่เพียงสนุกอย่างเดียวนะครับชวนคิดว่า ด้วยประสิทธิภาพงการสอนอันแม่นฉมังของคณาจารย์นิการเซนอะไรหล่านี้ครับสิ่งเรามักจะฟังมาในเรื่องตลกขบขันฝรั่งเจอหน้ากันก็ถามว่าเล่าเรื่องเซนใหผมฟังคือเรื่องที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกครับเพราะเรื่องราวเหล่านั้นชวนชวนคิดในแง่ตลกเช่นอาจารย์ผีบลูกติดเต็มแรงแล้วก็บรรลุธรรมอะไรเงีองนี้นะแต่แท้จริง<ม>เรื่องเหล่านี้มีดา่าดื่นนะพเจ้ามีดกฝายบ้านเรานะครับ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 ฟังรูตลกแต่ผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกครับแล่กรณีที่สังพปริยโว้ยหลางซึ่งสมัยเป็นเด็กหนุ่มอายุน้อยๆกลับจะตัดพื น, นครับแล้วก็ผ่านบ้านหลังหนึ่งมีคนท่องวัชระเฉติกาสูตรบังเอิญพอมาถึงประโยคที่ว่าคนเราควรจะใช้จิตให้เป็นอิสระใน ท, ทุกเมื่อเท่านั้นนะครับท่านสว่างสวในชีวิต